ในระยะนั้นผมเป็นโยมที่ถ้าต้องการปฏิบัติธรรมะนั้นอย่าเพิ่งไปติดตำลาสักแสงและก็จะถามคนอื่นนั้นไม่ได้ต้องปฏิบัติด้วยตนเองทันวายอย่างนั้นเพราะเป็นคนชอบกันดีผมก็เลยเป็นนึกคิดพิจรารณาปฏิบัติธรรมะอย่างไรแล้วก็ทามาแล้วเป็นเวลานานแล้วเราก็ว่าเรารู้สมควรผมฟังเทศอ น, นันไว้ประมาณสองปีครับ ด้วยจากสองปีกัวนี่ผมฟังและพิจารณาในตัวเองเนี่ยเราทาบุญให้ฐานรักษาศิงทํากรรมฐานมาแล้วน่าจะมีเรื่องอะไรอีกตอนนี้ผมิจรนาต่อมาเมื่อผมจะไปปฏิบัติแบบนี้ผมมีกําลังใจสนิดหนึ่งครับ mm. คือในขณะนั้นผมทาบุญทาบุญมหากรถินครับตามปกติคนทาบุญมหากถินต้องมีหนัง มีหมอลำมีเครื่องเลื่อมมายั่วยวนนั่นเองครับจ้างมาให้คนมามาดูมาสมแลี่กับคนมาทำบุญด้วยเราการทำบุญต้องมีอะไรต่างๆสนุกสนานเข้าใจอย่างนี้ตอนนั้นแม่บ้านตอนเศร้าแม่บ้านไปถามผมจะให้เงินค่าเขาเท่าไหร่ว่าอย่างค่าหนังค่าหมอลำจะให้เท่าไหร่ เขาพูดเพียงแค่นั้นเองผมเกิดไม่พอใจขึ้นมาตึ๊บในใจผมหนักน่วงในใจผมประมาณน้ำหนักจากร้อยกิโลครับมันท่วงจิตใจผมหนักลงพูดไม่ได้เอ๊ะทำไมเราทำบุญทำไมจิตใจเนา่าเหม็นเปียกแสอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้ทันทีผมก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรก็แต่ผมไม่ได้พูดอะไรเต่นหน้าตายิ้มได้ครับก็พูดกันได้ ย, ยิ้มยิ้มน่นะครับแต่ว่า ใจมันยิ้มไม่ได้เรื่องนี้นี่แหละการทำบุญให้ทานรักษาศีลรมสมถากรรมฐานหรือจเจริญนิัพสนาข้ตามเมื่อยังมีความหลงผิดอยู่แล้วอันนั้นผมถือว่ายังไม่เข้าใจในหลักพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเรื่องนี้ก็เลยพูดกันนะนั้นมอบให้เป็นธุระของ บ้านผมเลยว่าเจ้าวักค่อยกันอย่างเนี้ยให้เจ้าจัดการแล้วทําไมมาถามอะไรอีกแล้ว<ม>ก็พูดอย่างนี้เขาก็เลยพูดก็อ๋อก็ธรรมดาเขาเป็นเมียเป็นผัวเมียเขาก็ต้องถามจี๋ผมก็เลยตอบเขาให้อีกไปไปจัดการให้มันแล้วเรียบร้อยเป็นหน้าที่ของเจ้าจะ ต, ต้องทำเอาให้เจ้าเลยก็ให้ไปผมก็พูดได้แต่ยิ้มยิ้มแก่ใจเป็นไม่ยิ้มครับใจบรรหนักเหมือนกับเอาเหินมาท่วง ขอผมร้อยกิโลนี่ทีเดียวครับนี่แหละผมคิดอันนั้นแหละมาทบุบจมแนทําไมเราเขาพูดแค่นั้นทําไมจะไปเป็นอย่างนี้ผมนึกในใจตอนนั้นพอดีกินข้าวสาวแล้วก็ น, นํากรถินไปทอดไปถวายพระครั้งนั้นทํากรถินห้ากองนะครับวันนั้นนะเพราะมีคนมาหลายบ้านมาขอร้องเอากรถินจากผมไป เพราะผมอยู่ในในคณะนั้นก็ผมก็ไม่ไม่ด้อยคนและไม่ใช่เป็นคนรวยเนี่ยบ้านใต้บ้านเหนือพีพีน้องๆเมื่อไม่มีกระถินเขามาลองขอจากผมให้ผมสักส่วนเอาเพื่อนแม่ป้าหน้าอาคนเ้าวคนแก่ทําและไปถวายให้พระสงฆ์ได้เพราะผมพูดแล้วคนแก่แก่กดเสื้อฟังนึอคนหนุ่มคนนากอดเสื้อฟังเพราะผมพูดกับคนได้หลายระดับครับ แต่ไม่ได้มีปัญญามากนะครับแต่ผมพูดจริงเพราะผมพูดจริงผมไม่เคยโกหกคนนี่คนก็เลยเสื้อถือมาตามปฏินิยมของบ้านนอกครับเมื่อเอากรถินนําพัฒน์ไหพระแล้วตอนเย็นมาก็เลยมากินข้าวเรียกว่ากินข้าวเย็นกินข้าวเมื่อแรงครับก็เลยมาพูดกันเดี๋ยวผมในขณะนั้นผมมีลูกสองคนเอ๊ะทําไมจะพูดอย่างนั้นทําไมจะถามออเขาก็ตอบเข้าให้อีกอ่ะ ทำไมถามยังนี้จะผิดถูกอะไรเขาว่าอย่างนั้นก็ธรรมดาผัวเมียกันก็ต้องถามที่ปึกษาไม่ได้ที่เขาเขาพูดย้อนเขาให้ทุกทีเมื่อผมตอบเขาไปทุกทีเขาย้อนเข้ามาให้ผมทุกทีผมเป็นข้างแท้เขาทุกครั้งผลที่สุดผมจะหาเรื่องจะเอาชนะเขาอยู่แต่เขาก็มีปัญญาเหมือนกันเขาก็โยนให้ผมทุกทีทุกทีที่สุดผมก็เลยพูดแม้จะพูดอย่างนั้นเขาก็พอใจเขาก็เลยพูดเข้าให้ผม ก็คอยไม่รู้จักว่าเจ้าไม่พอใจเขาก็เลยพูดอย่างนั้นถ้าเจ้ไม่พอใจเขาเจ้าก็ตกนรกสิเขาเลยพูดอย่างนี้ผมก็โอจริงแล้วผมก็เลยยอมแพ้เขาเออเราตกนร ก, กแล้วเขาไม่ได้ตกนรกกับเราผมยอมแพ้เขาคือที่แรกก็อยากเอาชนะเขาเนี่ยครับพูดอะไรพยายามเอาเปรียบเขาอยู่ไม่เสาเลยแต่เขาไม่มีความผิดธิ์เขาก็พยายามเล่นงานเรายิ่งพูดไปก็ยิ่งเข้าเนื้อไปทุกทีผมก็เลยยอมแพ้เอาเอง เมื่อแพ้เขาเลยผมก็คิดตั้งในใจว่าอย่างนั้นนะครับเป็นเวลาหลายปีตอนนี้ครับผมคิดมาจนกระทั่งผมผมขออภัยนี่ตอนนี้ผมมาพูดจำอีกผมจนได้มาฟังธรรมะจากที่อาจารย์พูดให้ฟังว่าอายุเมื่อสี่สิบหกปีนี่ครับผมฟังธรรมะได้สองปีผมเล่นกรรมฐ า, านมาขนานผมก็คิดว่าทางไหนไม่มีเสียแล้วก็ต้องไปหาพระองค์นี้อีกแล้ว ผมก็กลับคืนไปหาพระองค์นั้นนะไปถามท่านก็นเลยสอนให้ทําวิธีท่านสอนนั้นทัานกล่าแต่็นนั่งหลับตาเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมไปแต่ผมก็พูดกันน้อยๆผมไม่ได้ไม่ได้ให้ความกระจ่างแจ้งกับผู้หญิงเท่าไหร่ครับผมจะไปเที่ยวปงกระปงอย่างนั้นจะไปที่ไหนผมก็เลยบอกว่าไปที่ไหนก็ไม่ไม่ทราบไม่ต้องถามเอารายละเอียดเท่าไหร่ละเขาก็รู้รู้สึก ยังไงก็ไม่ทราบเขาก็เลยไม่ถามรายละเอียดเท่าไหร่เขากเกลียมของให้ผมได้กระเป๋าแล้วผมกระเไปเลยไปไปปฏิบัติธรรมะแต่ผมไม่ได้พูดให้เขาฟังว่าจะไปปฏิบัติธรรมะแต่ผมนึกในใจถ้าหากว่าผมเอาศนะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผมไม่กลับบ้านผมจะตายหน้าเรื่องลูกเรื่องเมียนี่ผมไม่วิตกกังวลผมจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ให้ได้ผมละอายในใจผมครับ ละอายในใจว่าหิลิี้ผมละอายแก่ใจไม่มีครับนี่ผมไม่มีความละอายแก่ใจเรื่องนี้เพราะว่าละอายเพื่อนฝูงได้แต่จิตใจเป็นไม่ละอายอันนี้แหละผมก็เลยใป่